พระเจ้าให้รู้ในสภาพความเป็นปัจจุบันว่ากิจโช่มนุษย์สปพติลาโภูกิจช่างมัจจานาชีวิตังกิจโชมนุษย์สปพติลาภว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากไอ้ยากเนี่ยเราก็อย่าไปอย่าไปมองยากถึงว่าโอ๊ยมออดีตชาติอย่างโน้นอย่างนั้นเราอย่าไปมองแบบนั้นมากนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี่นะมันยิ่งยากมาก ทำไมมันยากเดี๋ยวนี้มันรณรงค์เรื่องการลดจำนวนประชากรและคนก็เริ่มมีจุดยืนที่จะไม่แต่งงานมากขึ้นแต่งงานแล้วก็เริ่มจะมีความคิดที่จะไม่มีลูกมากขึ้นอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุบ้านเราก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพาเด็กๆน้อยลง โรงเรียนต่างจังหวัดยุบเลิกเยอะมากเพราะฉะนั้นการจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทีหนึ่งอะมันยาก อ, อันนี้แบบปัจจุบันทันตาเห็นเลยนะแต่ถ้าว่ายากตามหลักทฤษฎีที่ท่านว่าไวา้อันนี้เราก็ตามกันไปได้ว่าในกำเนิดสีกำเนิดอะ ชาลาผูชะอันตดชะสังเสทชะโอปาติกะสี่คำเนิดคือสัตว์ในแสนโลกธาตุทุกๆุกจักรวาลเกิดด้วยสี่คำเดิดนี้เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่เกิดผุดขึ้นเกิดในครันก็คือมนุษย์และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมรวมเลยสัตว์เลยคลานบางชนิด คือเริ่มฟักเป็นตัวอ่อนขึ้นมาในคันของตัวเองแลค่อยคลอดออกมาเกิดในไข่ก็คือพวกสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานบางประเภทติดตกออกมาเป็นไข่แล้วก็ควักตัวออกมาที่เกิดในไข่นะเกิดในเท่าไครก็คือสัตว์พวกนี้จะมีเลือดสีขาวไอไอไอไอปรสิตพวกโควิดเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทเนี้ยพวกนี้จะ เกิดในเท่าใครก็ เ, เรียกว่าเกิดในเท่าใครเกิดจากความหมักหมมเกิดจากอะไรตัางเนี้ยสุดท้ายคือโอปาทิกะคือเกิดแบบผุดขึ้นไม่ต้องไปไต่เต้าไม่ต้องไม่มีระยะควักตัวไม่ต้องไปมีระยะตั้งคันไม่มี ไม่มีต้องไปเจาะท้องแม่เพื่อสายสายสะดือกินเลือดกินอาหารเข้ามาเลี้ยงตัวเองไม่ต้องออกมาถึงพ่อแม่ก็ไม่ต้องมาเที่ยวต้มน้ำไม่ต้องมาแม่ก็ไม่ต้องไปด้ยวยนั่งป้อนนมไม่ต้องเพราะว่ามันเกิดเพื่อจะเป็นอะไรมันเป็นเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยอย่างสุนัขตัวหนึง่งมันเหดรพระเจกับพพุทธเจ้าด้วยความรักผู้บริสุทธิ์พอพรไปเจกพระเจ้าจากมันไปมันก็ตาย ตายปั๊บมันก็ไปเกิดเป็นเทพปบุตรแต่เนื่องจากว่ามันอยู่กับความอดอยากมาก่อนพอไปเป็นเทพปบุตรแล้วมันมันได้กินทิพธ์ใช่ไหมของทิพธ์มาคิดดูดิอ่าเราทํางานเทพตายใช่ไหมกว่าจะได้บ้านหลังกว่าจะได้รถสักคันกว่าจะได้แต่งงานมีสามีมีภรรยากว่าจะได้มีลูกกว่าจะได้กินอาหารแต่และมื้อเนี่ยโอ้โหลาบากแต่พอไปเป็นกินของทิพธ์อะนึกปั๊บ อิ่มอยากสมสมุติว่ า, าวันนี้กินหูฉลามวอิ่มอยากได้แล้วก็อิ่มอิ่มโอ้มันก็เพลิดเพลินดิไอ้ทุนักตัวนี้มันไปเกิดเป็นเทพประมุชื่อโคสกะเทพประมุมันเป็นเทพบระรุได้เจ็ดวันเพราะมันไม่นึกถึงอาหารเลยมันนึกถึงแต่กา ม, มคุณ อื่นที่ไม่ใช่เป็นอาหารนั้นชีวิตของมันก็เรียบโรอยๆๆโดยครบเจ็ดวันตายตายสิทธ์มาเกิดในชมพูทวีปใกล้กับเมืองที่เมืองโกสุมพีเนี่ยสุนัขตัวนี้เป็นผู้สร้างวัดโพศิตารามมีรากหลักฐานอยู่จนปัจจุบันนี้นั้น พอจะเกิดไเป็นอะไรเนี่ยเป็นเลยอมันจะเกิดเป็นอะไรก็เป็นเลยเกิดจะเป็นอะไรก็เป็นเลยไม่ต้องไปไต่เต้ามาจากเป็นเทวดาเด็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องไปมีชีวิตนางสาวเทพธิดาไม่มีเป็นแล้วก็เป็นเลยอันนี้เทวดาเรียกว่าโอปปติกะทีนี้ในบรรดาสัตว์สี่คำเดิอดนี้ในโลกธาตุทั้งปวงเนี่ยมันเยอะมากเอาเฉพาะในโลกของเราเนี่ย ในโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกใบนี้ตัวเราเองนะตัวเราเองถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งทั้งหมดที่มีชีวิตในโลกใบ น, นี้ตัวเรานี่เป็นเศษเชี่ยวของธุรีเพราะยังมีชีวิตแบบชลิดอื่นๆเท่ากับเราบ้างเล็กกว่าเราบ้างเล็กกว่าเราสองเท่าสามเท่าสีเท่าบ้างโตกว่าเราก็มี หากินในน้ำอย่างเดียวก็มีหากินในน้ำบ้างในบกบ้างก็มีหากินบนอากาศก็มีอยู่บนพื้นดินอย่างเดียวก็มีเยอะมากเรานี่เป็นเศษเสี่ยวของของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกใบนี้และพระเจ้าสัตว์ป่ากำมังสเตวิพัจติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เร็วและปราณีตต่างกาันการไปเกิดในภพที่ต่างๆเหล่านั้นมันไปจากกรรมของเรา แต่อ ก, กรรมที่มันจะให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเรียกว่ากิจโฉมนุสบปติลาโภมันยากมากคือมันมีร่องไม่เยอะสําหรับที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นะนอกจากคุณสมบัติของจิตที่จะมาปฏิสนธิในคันนั้นยากแล้ววิถีของโลกที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งยากเขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเขาบอกทําไมไอ้คนรวยๆอ่ะ มันไม่เกิดะทำไมหมอสูไอ้พวกเนี้ยมันรวยเอารวยเอาวะเพราะพ่อแม่มีตังค์อยากมีลูกมันไม่มีไปหาหมอหาแล้วหาอีกแล้กแต่กว่าจะได้ลูกแต่ละคนเสียคนบางคนเยียบล้านอะเสียเป็นล้านแล้วยังไม่ได้ด้วยนะเพราะมันเกิดยากแต่ถ้าจนจน หน้าเจ้ากินคําเจ้าเมาเย็นก็ตบกันหน้าแตกวัวเลือดาสาดเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวแขวดบางที่แควดสามแควดสี่ก็มีเพราะมันไม่มีที่จะเกิดอันี้พูดตามหลักวิชามันะมันยากนะแต่เราเป็นยังไงพระพุทธเจ้าพูดเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไปปรุงคิดทั่วโลกไม่ใช่ พูดเรื่องนี้เพื่อให้เรามาคิดถึงตัวเราเองว่าแต่เราได้เป็นมนุษย์แล้วเรียกว่าสิ่งที่ยากโดยประการที่หนึ่งเราได้แล้วด้วยเราจะทําอะไรเราจะปล่อยให้ชีวิตที่ได้ยากนี้แก่ตายไปเฉยๆกระนั้นหรือถูกปะะ่ปล่ะเอายากที่สองกิจช่างมัดจานาชีวิตตั้งชีวิต ที่ว่าได้ยากแล้วเนี่ยการรักษาชีวิตนี้ให้มันรอดอย่าให้มันตายมันยากกว่าท่านลองคิดดูก็ตั้งแต่สัปดาห์แรกสภาวะคันที่ชื่อว่ากลละยังไม่เป็นชีวิตนะมีแค่ธาตุสี่ที่ได้จากแม่และพ่อก่อเป็นกลละมันมีขนาดเท่ากับเอาเชือกสามเส้นคว้านควนควนแล้วก็จุ่มไปน้ามันน้ามันงานแล้วยกขึ้นมา แล้วก็ไอ้หยดที่ติดอยู่ตายปราปลายน้ํามันงานนั่นแหละคือขนาดของกก ล, ละในสัปดาห์ที่หนึ่งแม่ก็ไม่รู้ผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคันหรอกและถ้าเดียววิ่งเล่นวิ่งเล่นออกกําลังโกงกําลังกายทำหนักหนักก็แตกแตกตอนนั้นไม่ถือว่าตายแตกตอนนั้นไม่ถือว่าแทงใครทำไม่แตกไม่ถือว่าฆ่าพอสัปดาห์ที่สองมันขุนขึ้นมาชื่อว่าอัปโโชะสีเหมือนกับเอาถั่วพลัวขยี้ขยี้ขยี้ แล้วเอาน้ำราดผ่านน้ําที่ราดผ่านตัวปูที่เรากะยีก็เรียกว่าน้ําเยื่อตัวภูไอ้สีขนาดนั้นน่ะขนๆไงงั้นสัปดาห์ที่สองพอสัปดาห์ที่สามชื่อว่าเปสิตอนนั้นมีจิตลงปฏิสนธิพอปฏิสนธิปั๊บกลับกายของธาตุสี่ของพ่อของแม่ใช่ไหมแล้วก็มีจิตลงปฏิสนธิปึ๊บมันก็เป็นชีวิตขึ้นมาสัปดาห์ที่สามเรียกว่าเปสิ เวลามีจิตลงปฏิสนธิในสัปดาห์ที่สามเนี่ยนะมันไม่ได้มาปฏิสนธิเฉยๆแป้งมันก็ไม่ได้มาเป็นแป้งไว้เปิ้ลมันไม่ได้าเป็นเปิ้ลเจี๊ยบมันก็ไม่ได้มาเป็นเจี๊ยบนะมันพกมาด้วยจิตที่ผ่านการเรียนรู้มาทั้งหมดสะสมอยู่ในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงพอถือปฏิสนธิปั๊บเขาเรียกกรรมกรรมมันเป็นลักษณะเฉพาะของจิตแต่ละดวง และกลมนั้นแหละมาช่วย่าสี่เพื่อสืบสร้างอายัตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสําหรับให้จิตนั้นได้เข้าไปเรียนรู้ตามันเห็นจิตใช้ตาเป็นเครื่องดูจิตใช้หูเป็นเครื่องฟังจิตใช้จมูกเป็นเครื่องดมกลิ่นจิตใช้ลิน้นเป็นเครื่องสัมผัสรสจิตใช้กายประสาทเป็นเครื่องสัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งปวงจิตใช้จิตเป็นตัวน่วงนึกอดีตและอนาคตเห็นไม มันก็เลยจิตตัวนั้นมันจึงมีกรรมเข้ามาร่วมในการที่จะสร้างกายให้มันสมบูรณ์แม่บางคนนะเพราะมันไม่ตั้งใจให้เกิดเออมันเป็นรเรียกว่าลักลอบอ่ะแต่เวลามันท้องขึ้นมาแม่ก็กินนั่งยาขับเมากินแต่นั่นมันโตวันโตคืนอ่ะคอดออกมาโอวยน้ำหนักยิ่งกว่าเข้าไปโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของโลก ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอดูแลคันนะแต่ร่างกายมันแข็งแรงมากไอ้นี่เรียกว่าลักษณะเฉพาะของจิตที่เข้ามาปรุงแต่งช่วยกับธาตุเสียมันดีมีกรรมเข้ามาร่วมด้วยเอาหลังจากนั้นอยู่ในท้องก็เวียนเวียนเวียนเวนเวนแล้วก็คลอดออกมาเชื่อไหมว่าตั้งแต่ระยะกลนละอภโชชะแต่ละสัปดาห์ เปสิคณะคณะคือว่ามันเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเลือดที่แข็งแข็งแล้วคณะหลังจากนั้นก็เป็นปัญจสาขาคือแตะเป็นห้าปุ่มหลังจากนั้นก็สร้างเป็นระยะระยะอยู่ในคันของมารดาเก้าเดือนนะ่ะโดยประมาณมันสามารถตายได้ทุกคณะสามารถตายได้ทุกนาทีแต่มันรอดมาได้ขณะที่อยู่และอยู่ในคันไม่อยู่ธรรมดานะ มันนอนแล้วหน้าเนี่ยมันไม่ได้หายใจเพราะนั้นมันเลยจมอยู่ในน้ำคร่าเป็นตัวห่อไว้เพื่อป้องกันอันตรายจมอยู่อย่างนั้นนะในโพรงจมูกในปากเต็มไปด้วยน้ำคร่าทั้งนั้นนะแต่มันไม่เข้าไปข้างในเออเพราะมันกินทางสะดือใช่ไหมเออมันจมแช่อย่างนั้นนะโอกาสตายมีไหมโอ้โหเยอะมาก แม่ล้มแม่กินอาหารรถจัดมันหน่อยหรือทําอะไรไปหน่อยนี่นะแต่คนไม่ใช่ไม่มีวิญญาณแม่จริงๆอ่ะรอดยากแล้วตอนคลอดอีกโหกว่าจะออกมาได้เดี๋ยวนี้แม้ว่ามีการผ่าแล้วคิดดูคิดดูมีดที่ผ่าท้องเข้าไปเนี่ยกว่าจะดึงเด็กออกมาได้เนี่กว่าจะรอดมาได้แล่ละคนน่ะยศส ม, มัยก่อนใครเกิดหมอตำแยบ้างไม่มีเลยมีธรรมาเนี่เกิดหมอตำแย กูรหมอตแยยอมเออเราพวกเดียวกันอาตมานี่อยู่สตกพอแม่ปวดท้องพ่อวิ่งไปตามหมอตาแยทั้งสองกิโลสามกิโลแล้วไม่มีไฟฟ้าด้วยอยู่ตีนเขาอะจุดใต้เข้าไ ป, ไปไปหาหมอตําแยกว่าหมอตําแยจะมาได้โอ้ตอนนั้นอะมันน่าจะตายทุกขนาดนะแต่มันไม่ตายออกออกมาแล้วแม่เผลอพี่เลี้ยงเผลอพ่อเผลอตายได้ไหมโอ้ห โอกาสตายได้ตลอดเลยเที่ยวคลานที่ทั่วหน่อยร่วงลงบันไดแตกกินอะไรนิดอะไรหน่อยข้าวใติดป า, ากหติดคอหายไปตายแล้วมันง่ายมากสําหรับที่จะตายกินชังมัดจานาชีวิตต่างการมีชีวิตอยู่ของสัตว์ผู้ซึ่งจะต้องตายแน่ๆ น, นั้นยากพระเจ้าพูดเรื่องนี้เพื่อให้เรามานึกถึงตัวเราว่าตอนนี้เราตายยัง ยังไม่ตายเราได้ยากอีกแล้วท่านอยู่มาได้ยังไงจะมองหน้าโยมเอโยมอยู่มาได้ยังไงรสโยมอา ย, อยุเท่าไหร่แล้วทำไมโยมยังไม่ตายเก่งมากเลยยากมนาะอยู่ได้อย่างเงี <laughs> ้ยมนต้องสนทนาคุยกันอย่างเงี้ยก็จริงจริงนะออคิดดูหัวใจเราเต้นตั้งแต่เราอยู่ในท่อแม่นะปุ๊บ๊ บ, บมันหยุดไหมพี่แน่แน่มันต้องหยุดไหมมันต้องหยุดไหมมันต้องหยุดไวย มันต้องหยุดอยู่แล้วไม่วันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นคืนนี้พรุ่งนี้ไม่รู้วันไหนแหละมันต้องหยุดมันเต้นทุกวันทุกวันทุกขณะที่มันเต้นมันเต้นมันเต้นมีความสึกหรอเสื่อมไปสภาพไปเสื่อมไปสภาพไปทุกหัวใจที่เต้นบีบตัวอยู่มีอายุการใช้งานและอายุการใช้งานเหมือนพินเตอร์เวลาเราซื้อพิมพเตอร์มาเครื่องหนึ่งใช้หมึกใส่ปุ๊บก็ไปสั่งพิมพน่ะมันนับจํานวน A สี ถว่าว่าหมุกนี้พิมพ์ได้กี่แผน่นเ อ, อมึกนี้พิมพ์ได้กี่แผน่นที่แน่ๆถ้าเราไปพิมพ์พิมพ์ไปแล้วสักห้าสิบแผน่นอายุการใช้หามีไม่ครบแล้วถูกปะอายุเฉลี่ยของหัวใจเราเนี่ยมันจะมีอายุเท่าไหร่แต่ละคนมันไม่ได้ติดป้ายไว้เพราะฉะนั้นมันสามารถหยุดได้ทุกเวลาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวหรือบางคนอยู่ยันแก่เท่าก็ไม่แน่ แต่มันต้องหยุดหยุดแน่ๆ แ, แค่มันเต้นๆแล้วมันหยุดก็รก้องไปไงตายถ้าหัวใจหยุดแล้วยังไม่ตายก็ติดท้องให้มันเถอะ <c oughs> เราไม่ตายถูกไหมที่นั่งอยู่เนี่ยตายยังตายยังมาหจะหกสิบคนแล้วเนี้ยตาย ย, ยังยังใช่ไห เออเรายังไม่ตายเราได้สิ่งที่ได้โดยยากไหมยากพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดให้เราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นนะพูดให้มานึกถึงตัวเองเมื่อเราได้ยากอย่างนี้เป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอยู่แล้วยากอย่างนี้มันหายากให้มานึกถึงเบื้องต้นเพื่อไม่ประมาทในการสร้างฐานชีวิตก็ดูสิว่าเราตอนนี้เป็นอะไรอันนี้ยากยากสองอย่างนี่นะดูว่าเราเป็นอะไร เราเป็นลูกใช่ไหมลูกที่ดีต้องเป็นอย่างไรเราต้องทําเป็นลูกที่ดีให้ได้เออนี่ไม่ประมาทในชั้นต้นเป็นพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ที่ดีเป็นอย่างไรเราต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ได้อย่างนั้นให้ได้ <_ Clement: S 1> เพราะว่าอะไรเพราะเร า, าไม่รู้ว่าอีกกี่นาทีข้างหน้าเราจะตายหรือเปล่า <_ ators> เราไม่รู้ว่าหัวใจเรามนอายุตอนไหนเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหน เพราะนั้นเวร่วงเวลาที่มันยังไม่ตายมันได้ยากเนี่ยเราเป็นอะไรเราเป็นให้มันจริงๆเป็นให้มันได้อย่างนั้นโอกาสของเรามันมีไม่มากสาหรับที่จะให้ไปแก้ตัวในวันข้างหน้าถูกเปล่าลนี่คือที่พระพุทธเจ้าเจตนาสอนเรื่องความได้ยากไอ้ได้ยากต่อมานะกิจจ่างศรธรรมมัตสวาณังการได้เรียนรู้ได้ฟังพระสัทธธรรมนั้นยากอา้าวดูในโลกใบนี้ ในโลกใบนี้โยมลองคิดดูดิมีคนเท่าไหร่หกพันกว่าล้านใช่ป่ะใช่ป่ะผิดหรือถูกอะนักเรียนไอร์แลน์ <c oughs> <c oughs> มีกี่ล้านอะี่พันล้านมั้งตาหกพัน 6, กว่าล้านหกพันกว่าล้านโอกาสที่จะเจอความรู้ที่เป็นอริยสัจที่เป็นสัจจะ ที่พอรอฟังรู้เข้าใจแล้วไม่มีเหตุผลใดๆในโลกมาคัดค้านได้คําสอนของพระพุทธเจ้าจงจําไว้เลยไม่มีนักปราชญาคนไหนที่กล้ายืนออกมาแล้วประกาศว่าไม่จริงเพราะไม่มีเหตุผลใดมาคัดค้านได้เป็นความจริงที่สุดคําสอนของพุทเจ้าเนี่ยเป็นความจริงที่ไม่มีใครคัดค้านมันจึงยืนมาได้ยืน ถ, ถึงทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้เผยแพร่ศาสนาแบบล่าอาณานิคม ไม่ได้ถือเวยแพร่ศาสนาแบบชายทุนนิยมแต่เผยแพร่ศาสนาแบบสอนให้เขาปฏิบัติจนกระทั่งเกิดองค์ความรู้และเขาช่วยกันสืบอายุพระศาสนาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่จริงมันปฏิบัติไม่ได้ผลแน่ถูกไหมนั่นแหละกิจช่างศร ธ, ธรรมัสวัสดิการได้วามศั ธ, ธรรมโอกาสที่จะฟังคำมะที่เป็นสัจจะจริงๆอะยาก เพราะว่าศาสตาศาสตร์อื่นที่สติอื่นมันสอนไม่ถึงอย่างเรื่องความทุกข์อ่ะเรื่องความทุกข์เราไปฟังคนพูดเรื่องของความทุกข์อย่างประเทศจีนสมัยก่อนประเทศจีนสมัยก่อนก็บอกว่าทุกสี่อย่างทุกมากอ ะ, อะไรวะลืมแล้วแปลเป็นภาษาไทยดีกว่าอย่าพูดจีนได้เลยพวกคนหัวเราระภาษาไทยก็คือว่า ไอ้ทุกที่หนึ่งแถวช่ำแถวช่ชําะว่ามาลีทุกอันที่หนึ่งเรียกว่าตาหื่อใจคือทุกของหาพันปลาใช่ไหมเออหาพันปลาทุกมากสมัยนั้นโอ้โหถ้าใครถูกเกณฑ์ให้ไปหาพันปลาแล้วนะต้องน้ำสองฝั่งใส่น้ําไม่ให้เต็มนะ ใส่พันปลาลงไปในถังหาบในขณะที่หาบต้องเดินเขยา่าเขยา่าเพื่อให้มันเกิดออกซิเจนโอ้ยคนจีนถือว่าทุกข์มากๆในปัจจุบันมันมีรถคอนไว้วยรถอู้ใหญ่ๆลอยใส่เข้าไปข้างในก็มีระบบไฟสร้างออกซิเจนไม่ตายวิ่งข้ามตะวีบวิ่งข้ามตะวีบก็ไม่ตายทุกที่แก้ได้ทุกที่สองแท็กซําไป ใช่บอกว่าท่านเ้ยเสียหลูกพ่อเว้ยไอตัวนี้แปลว่าล่องสูงเพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่างใครเคยไปวัดของคุณเจ้าชายสีที่ราชวงศ์ถังอะเห็นไหมพระพุทธรูปที่มันทำหล่อขึ้นมาสูงจากพื้นแปดเมตรอะประเทศจีน่ะเคยไปไหมนั่ไอท่อนสุดท้นทุนไม้หอมเต็มต้นนั้นอะออกมาจากในปาน แล้ววิธีเอามาไม่ใช่ง่ายๆนะต้องรอหิมะตกหนาแล้วหิมะแข็งเอาน้ำราดแล้วก็ลากเสร็จแล้วพอลากไปสุดเสร็จขุดขุดเพื่อเอาน้ำเพื่อมาราหิมะแล้วก็ใช้คนลากขุดลากตายไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่กว่าจะมาถึงราชธรรมราชวงศ์ทั ง, ทงอ่ะคุณชายอะไรคุณชายสิบสีอะองค์ชายสี่ใช่ไหม ไปไ ป, ไปยังวัด น, นะน่ะเออถ่างเหมือนกันแล้วประเทศจีนเราไปดูเนี่ยที่ก็มีไม้ต่างๆที่ทำเยอะมากนะกว่าจะได้มาแต่ละต้นนะมันต้องส่งคนเกณฑ์คนหนุ่มๆไปทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลขึ้นเขาไปถึงก็ตัดไม้แผ่วทางมันไปที้งร้อยคนเนี่ยกลับมาสักสาสิ 30, ตายสักเจ็ดสิ วันไหนถ้าใครบ้านไหนถูกเกณฑ์ไปล่องทุงทั้งมืงไอ้ทุกข์โอ้ยแตกทําไปทุกข์กมากในยทำไมนั้นแต่ปัจจุบันไปไงโอ้โหไอ้ไ อ, อ้ไรนะรถอะไรคันเดียวแค่นั้นนหะมันตัดทั้งภูเขาเลยแกได้เป็นความทุกข์ที่ยังไงแกได้เอาทุกประการที่สามของคนจีนเอเอหล่อโเกี้เะหล่อโเกี้อ ว่าคนแก่ไม่มีลูกใช่ปะ่ะอยู่ไปไม่มีลูกโอ้ยทุกข์มากสมัยนั้นเพราะบ้านไหนที่ไม่มีลูกมีแต่คนแก่เขาจะดูกินดูมินเดียดยม้มดูแคลนแล้วไม่มีคนมาดูนะใครเดินผ่านมีแต่คนโดนอุดบูอุดจมูกอุ ด, อ ด, อ ด, อดปากแล้เดินหนีเพราะว่ามันนอนแช่น้ำอุดจระอุดปัสสาวะไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเพราะไม่มีลูกเพราะฉะนั้น การไม่มีลูกนี่เป็นความทุกข์มากปัจจุบันเป็นไงฮะมีสถานคนชราแล้วคนไทยเนี่ยนิสัยเสียเวลาไปประเทศจีนแล้วพอเข้ามาเที่ยวขอตังเราชอบง่ายคนจีนไม่ชอบนะเดี๋ยเพราะว่ามันได้ตังจากเราแล้วมันไงมันไม่ทํามาหากินมันดีกว่าไงจริงๆเขาสร้างไว้แล้วสถานที่พักมีสวัสดิการพร้อมของคนจีนก็แก้ปัญหาเนี่ยทุกหายอยแล้ว อ้าวเกียบบ่อไอเราบอกเกียบเกียบบ่อไออันที่สี่เกียบบ่อไอเฮ้ยต้องอภัยมากเดยเรามันไม่ใช่คนจีนออกอกเสียงใหม่ดิฮะเกียบบ่อไอเออไม่เด็กไม่มีแม่เอเกอเราถูกนะไอเราก็ว่าแตะมาก็ว่าตะมาถูกนะเนี่ย เจียบอกไอเออเด็กไม่มีแม่โ อ, โอ้โหมันเวรเวทนาจริงๆเลยใครเกิดมาแล้วไม่มีแม่เลี้ยงดูเนี่ยแต่ปัจจุบันเป็นไงมีสถานเด็กกําพรา้าโอ้โหเลี้ยงดูอย่างดีเลยยิ่งประเทศจีนเพราะฉะนั้นทุกสย่างที่คนจีนถือกันในสมัยนั้นเป็นไงแก้ได้หมดเพราะทุกที่คนจีนเรียนรู้เข้าไปไม่ถึงทุกที่เป็นสัจจาทุกที่โลกของเราเรียนรู้ เข้าไปไม่ถึงทุกที่เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ชื่อว่าทุกขสัจจานั้นเป็นความทุกข์ที่โลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ไปอีกกี่ร้อยกี่ล้านปีไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงเรื่องของความทุกข์แล้วเป็นสัจจะได้เท่ากับพระพุทธเจ้ายังไง <c oughs> ถ้าอย่างอื่นเลยรัฐมนูลเนี่ยดูดิ เพื่อเขียนไปปีสองปีรัฐธรรมนูญมีไว้เพื่ออะไรเพื่อกําจัดทุกบำรุงสุขแต่เดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้วเอาไอ้นี่ใช่ไหมทันถึงยี่สิบเปอร์เซนเลยเอ้าไม่ดีต้องหาเรื่องเปลี่ยนอีกแล้วหลักศาสตร์แขนงทุกวิชาเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์ไม่ว่าเรื่องศาสตร์ใดๆที่เข้ามาเพื่อแก้ไขทุกให้กับผู้คนเนี่ยเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอดเลยแต่ทุกขษัต ที่พระพุทธทุกที่พระเจ้าตรัสนะชื่อว่าเป็นทุกขะอริยสัจเป็นความจริงในเรื่องของความทุกข์ที่ประเสริฐที่สุดไม่มีใครสามารถกล่าวถึงเรื่องของความทุกข์ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วจึงชื่อว่าทุกขสัจอีกหมื่นล้านปีก็ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนเพราะมันไม่มีอันนี้จริงที่สุดแล้วหลังจากนั้นเหตุของความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขสมุทยัยสัจ ความจริงคือเหตุของเกิดความทุกเนี่ยไม่มีใครกล่าวได้ที่เป็นจริงเท่ากับที่พระพุทธเจ้าตรัสอีกแล้วเหมือนกันมันใครจะไปกล้าคัดแย้งของพระพุทธเจ้าไอ้ที่เรากําลังเห็นข้อมูลวิพากษ์วิจารณ์ขัดแยง้งมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะของผู้รู้มังของใครมังที่ไปกล่าวทิ้งทิ้งิทิ้งทิแต่ของพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีใครสามารถที่จะไปโจมตีคัดค้านของพระพุทธเจ้าได้ ทุกขสมุทัยศาสตร์ยกตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าเรื่องโน้นทุกขสมุทัยศาสตร์ที่พูดเพื่อให้พวกเราเห็นว่าของพระเจ้านี่คือของจริงทุกขสมุทัยศาสตร์ความจริงคือเหตุของความทุกขความทุกทุกตัวอ่าพูดอย่างนี้นะความทุกทุกตัวเมื่อเราไต่สวนมูลทุกนั้นลงไปแล้วมันมาจากเหตุเดียวกันไม่มีใครที่กล้า พูดที่จะรู้เรื่องเหล่านี้และนํามาพูดได้เท่ากับพระพุทธเจ้าเมื่อรถไต่สวนมูลทุกลงไปลงไปลงไปลงไปลงไปลงไปสุปความว่าความทุกข์ของทุก ท, ทุกคนที่มันแต ก, กต่างกันนั้นมันมาจากเหตุเดียวกันคือความอยากในลักษณะต่างๆอ้าวทุกที่ไอคนหนึ่งกําลังจะผูกคอตายไอคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักโทษเขากําลังจะประหาร ลองไต่สวนลงไปไต่สวนมูลทุกข์ลงไปจนที่สุดแล้วมาจากเหตุเดียวกันคือความอยากเพราะฉะนั้นการมาตัตตหาภววัตนาวิภาวะตนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุเองความทุกข์จะอยู่อีกกี่ร้อยล้านปีก็เป็นทุกขะสะมุทยสัตว์อยู่อย่างนั้นนี่ความแน่นอนของพระเจ้านะอันของพระเจ้าตรัสส อ, อนแล้วเนี่ยไม่มีใครในโลกที่กล้ามาคัดค้านได้ ถ้าผู้รู้อย่างไอสไตล์มันมองคนทั้งคนเนี่ยหายไปทั้งตัวไอเธอนั่งอยู่เนี่ยไอสไตล์มองหายไปทั้งคนเลยเพราะเ็าแยกออกมาหมดเนี่ยจากสากสารเป็นอะไรอนูปรามาูแล้วก็พลังงานหายไปเลยแต่ไอสไตล์ใช้คณิตศาสตร์เละฟิสิกส์แสุดท้ายก็ยังมีพลังงานอยู่ แต่ไอสไตล์มองอย่างนั้นแล้วใจของไอสไตล์เข้าไม่ถึงไอสไตล์ยอมรับว่าความรู้ที่เขามีขนาดนี้สู้ความรู้ที่เป็นอภิญญาจิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็กล้าพูดว่าโลกในวันข้างหน้าศาสนาจะเหลืออยู่ศาสนาเดียวที่อยู่กับวิทยาศาสตร์ที่จะเริญถึงที่สุดได้คือพุทธศาสนาเพราะอะไรก็เพราะเหตุผลที่ว่าเนี่ย เหตุผลที่ว่าไม่มีใครกล่าวได้จริงเท่ากับที่พระพุทธเจ้าตรัสนั่นแหละกลับกันมาเพราะอย่างนี้จากคำถามเลยว่าเนี่ยมัตกเอออ้าวข้าวัวข้อสุดท้ายวันนี้วันนี้จะพูดเรื่องอาหารเร ปฏิกูลและสัญญามันเป็นเรื่องที่เราหลายคนก็ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วแหละแต่เราไม่เคยคิดที่จะเข้าไปรู้กับมันจริงๆอือาหารเรปฏิกูลสัญญาก็คือสัญญาการเรียนรู้ถึงเรื่องของความเป็นปฏิกูลความเ ป, ปฏิกูลคืออะไรสกปรกไม่สะอาด ความเป็นปฏิกูลของอาหารที่ชื่อว่ากะวะลิงการอาหารอาหารคือคำข้าวที่เรากินกันไปเป็นความจริงที่เราเรียนรู้แล้วมันจะสอดคล้องกับอาการ3 2สิะเทือนเข้าไปถึงกายทั้งกายให้จำหลักไว้ว่าเรื่องของอาหารที่เราจะได้ฟังได้ได้เรียนรู้กันเนี่ยมีเป้าอยู่ที่ความเป็นปฏิกูล เราดูความเป็นปฏิกูลของเขาตรงไหนมั่งอย่าไปมองอาหารในท้องตลาดนะมองอาหารที่ปากของเราจะเคี้ยวกินกลืนเข้าไปเพื่อที่จะให้มันเข้าสู่ตัวเองอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นการเรียนรู้ในเรื่องความเป็นปฏิกูลให้จิตมันมีความหมายรู้ว่ามันเป็นความปฏิกูลอย่างไรในเรื่องของอาหารเขาแยกออกมา อย่างอาหารที่เราเราตัวกินกับไปเนี่ยอ่านเรองขอ้าวนี่นะเขาแยกออกมาว่ามาปฏิกูลโดยส่วนไหนมั่งปติกูลโดยส่วนคัมมันโตคัมมโตว่าสมมุติว่าพระเนี่ย อ, อพระเช้าขึ้นมาคัมมโตหมาว่าปฏิกูลด้วยกันต้องไปอต้องไปไหมายความว่าตื่นเจ้าขึ้นมาปับ๊บข่มจีวรสะพายบาดถอดรองเท้า หมแล้วก็เดินย่ําออกจากกุฏิเริ่มแล้วปฏิกูณตรงไหนเหยียบที่ฝุ่นเอวยอะไรเอวยในระหว่างนี้กว่าจะออกจากเขตวัดนี่เรียกว่าคัมมาโตปฏิกูลด้วยการไปปฏิกูลประเภทที่สองเรียกว่าปริเยสนโตแปลว่าปฏิกูลในการแสวงหาอ่ะออกจากกำแพงวัดแล้วนี่เริ่มเดินออกบินธบาตใช่ปะ เส้นทางที่เดินย่ำไปนั้นน่ะที่ปเป็นสวยหาตามแต่ละบ้านตามลย่ละรัฐกูลกว่าจะได้เจอคนเขาใส่บาทมันสศกปลกเลือกเกลือคลุกคล้าวไปกับน้ำคร่ำไปกับสิ่งสศกปลกเยอะแยะมากมายนี่เรียกว่าสเสวยหาแต่พวกเราเนี่ยอาจจะเจอน้อยๆน่อ ย, อยแต่ก็ถ้าไปคิดดีๆมันก็มีปฏิกูลในเรื่องของการสวงหาอยู่เยอะหลังจากนั้นปริโพคโต ปฏิกูลโดยการบริโภคบริการบริปฏิกูลโดยการบริโภคเป็นยังไงอ้าวแล้วก็ดูสิการกินน่ะใช้ช้อนหรือใช้มือถ้าใช้มือนี่ง่ายนะเอาใช้ช้อนอ้าวช้อนอาหารที่เราตั้งไว้เนี่ยออนนี่ยำไอ้ต้มยำพระโดดกําแพง จามละสี่หมื่นไอ้นี่ก็โอ้เชฟอย่างดีเลยปรุงนะแต่ละชามเนี่ยแล้วก็ตักไอ้นั้นมาหน่อยหนึ่งใส่จานแล้วเอาช้อนทําอะไรคลุกคกล้วกล้วกล้วกล้วกล้วกล้วกเอาเข้ากับแกงกันคลุกคลุกคลกันตักขึ้นมาใช่ไมตักขึ้นมาได้ใช่ไหมใส่เข้าไปไหนในปากเรารู้รสปึ๊กหนึ่งแล้วน้ําลายใสอยู่ปลายลิ้นน้ําลายเหนียวอยู่โคนลิ้น จะทําหน้าที่แล้วลิ้นเป็นเสมือนมือเบือกกล้วแล้วน้ำลายที่อยู่ปลายลิ้นใสๆน้ําลายที่อยู่ตามกระพุ้งแก้มและคขนลิ้นที่เป็นเหนียวเหนียวก็จะค่อยๆออกมาร่วมการการคล้าวคําแล้วฟันซึ่งทําหน้าที่บดขยี้เคี้ยวโอไอ้พระกระดูดกําแพงหายไปยัง หายไปยังพระกุงกำแพงหายไปยังหายยังหายไปหมดแล้วมันเหลือแค่อะไรฮะเออเราก็เคี้ยวเคียวเคียวเคียวหลังจากนั้นกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปผ่านคอลำไส้ของเราเริ่มต้นจากตรงไห น, นลำไส้ของเราเริ่มต้นจากตรงไห น, น หมอบอกจากกระเพาะอาหารแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ลำไส้พระพุทธเจ้านับตั้งแต่หลอดอาหารนี้ลงไปจนถึงทวารหนั ก, กทวารหนักเลยลำไส้หมดนี่เรียกว่าลำไส้นะมันก็ลื่นลงไปในระหว่างที่จะถึงกระเพาะอาหารมันมีอีกสามน้ําเพื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนรสไอ้พร้อมสําหรับเข้าไปบ่อพักบดขยี้สามน้ําคือน้ำอะไร น้ำดีตีต้องฉีดเข้ามาแต่เดิมพอเคี้ยวเคี้วกล้วกล้วกลอกๆกกับน้ําลายสวยกับน้ําลายเหนียวเนี่ยพอกลืนเข้าไปปั๊บมันจะเป็นสีคล้ายๆกับใบข้าวสุกนะพอผ่านลงไปหน่อยหนึ่งน้ําดีฉีดจึ๊กจึกจึ๊กๆึกึ้นก็ปล่อยออกมาแล้วมันก็สีก็เริ่มคลําขึ้นเริ่มคลําขึ้นไอ้พระกระโดดกําแพงอะไรต่างๆเนี่ยหายไปหมดแล้วอุสานั่งรถ บาคนนั่งเครื่องบินไปกินที่ฮ่องกงนั่นแค่นี้อ้าวทีนี้พกลืนเข้าไปปฏิกูลโดยอาสยะโตอาสยะโตหมายความว่าปฏิกูลเพราะว่ามีธรรมชาติอาโปคือน้ำมีน้ำดีน้ำเสียมหะ และน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสมหะเข้ามาเกลือกกล้ว ก, กับคำอาหารนี้ไอ้ที่เยู่ยเรากินกันไปมันย่อยไปหมดแล้วนะเกลือกกล้วกกอาหารนี้ที่เรากลืนเข้าไปแล้วน้ำพวกนี้ฉีกเข้ามาแล้วก็ลงไปตอนนี้สีมันเปลี่ยนมากแล้วสีมันแปแปะๆเหมือนกับเหมือนเคยเห็นเลี้ยงทุนักไหมเวลาสุนักอาจเจียนเคยเห็นเป่า สนัขอาเจียนเห็นเนีัยนั่นสีคล้ายๆอย่างนั้นแล้วอลงเข้าไปแล้วต่อไปนิทานาโตปฏิกูลโดยการที่มันนอนอยู่ในบ่อพักบ่อพักคืออะไรโดาเรียกว่ากระเพาะอาหารยังไม่ได้ย่อยนอนในบ่อพักบ่อพักเนี่ยเป็นเหมือนบ่อเนี่ยก็เออบ่อเกือบ่อนี้สําหรับพัก พักอาหารที่ควันมันย่อยแล้วผสมน้ําต่างๆแล้วลงไปแล้วแล้วก็จะปล่อยกรดออกมาสําหรับกัดแท้อาหารซึ่งน้ำสามน้ํานี้ไม่ทําให้มันละเอียดพอก็ปล่อยน้ํากรดออกมาทีนี้มันก็พักเสร็จแล้วมันก็เริ่มย่อยเนี่ยนิทานาโตถ้าเรามองลงไปในนั้นอะ่ะมันจะมองเป็นอะไรแล้วอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นธาตุอยก็ปรากฏเข้ามาช่วยเผลาญ อุณหภูมิในนั้นจะเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วอ้าวย่อยย่อยย่อยย่อยทีนี้ทาการย่อยเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเราเอามือล่วงเข้าไปแล้วก็บีบบีบเหมือนกับไอ้ถ้าเราทํสร้อยทองคำตกอยู่ในบ่อเกลอสร้อยทองคำ ลอมเพชดก็ได้วะลงในบ่อกเกลืแล้วเราต้องไปหามันอ่ะโอ้โหเห็นมันอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอาการที่มันย่อยอาการที่เคลื่อนไหวในขณะที่เขาย่อยเนี่ยเป็นอย่างไ น, นเห็นอย่างนี้เรียกว่ามันจกปลวกหรือปฏิกูลโดยอ่ปปาปริปักกาโต้เมติกีอยู่นิ่งๆอยู่ในบ่อพักกันเรียกว่าอัปริปักโกปักโตคือ ปฏิกูลในขณะที่ยังไม่ได้ย่อยตอนนี้มันย่อยแล้วเรียกว่าอะปริปักกรโตคือปฏิกูลในการย่อยเห็นแล้วมันสกรปรกจะอาเจียนรู้สึกสลดสังเวชจะกำลังย่อยอ้าวพอย่อยเสร็จอืพอย่อยเสร็ จ, รจก็บังเกิดนิดพาราโตเกิดผลผลสองอย่าง คือที่ย่อยดีย่อยดีมันก็จะไหลเข้าไปลำไส้ก็จะดูดซึมดูดซึมดูดซึมแปรสภาพไปเป็นเลือดเพื่อเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายที่มันย่อยไม่ดีมันก็จะออกมาสองเรื่องหนึ่งให้โทษกับร่างกายเกิดโรคต่างๆสองก็จะไหลลงไปอัดอยู่ในลำไส้ อันนี้เห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงเกิดเห็นเป็นปฏิกูลในขณะที่มันพัลโตโดยผลของมันเอา้าต่อไปการเดินทางเริ่มต่อไม่ไม่หยุดอยู่แค่นั้นมนีการเดินทางเริ่มต่ อ, อ, ต, อต่อไปปฏิกูลโดยพัลโตไล้ใช่ไหมนิสัต ช, น, ชนโตคือปฏิกูลโดยการไหลเดินทางเคลื่อนที่ ไหลออกที่เป็นกากมันก็จะไหลลงไปเลยตามลําไส้ของเราไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปปฏิกูลไหมในระหว่างนั้นมีมุดตังรู้จักไหมเรี่ก็น้ํ า, า ม, มูดมันเป็นเมือกเมือกมาผสมประสานอยู่ข้างในนั้นด้วยมูดเนี่ยมันมีอยู่สองมุดนะว่ามีอยู่สองที่ มูดที่เป็นปัสสาวะกับมูดที่อยู่ในลำไส้มันเข้ามาคลุกคล้าวเกลือกล้วอผสมกับน้าย่อยที่ว่ามันมีอยู่แล้วด้วยเข้าไปเดินทางเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาอัดอยู่ตรงช่องล่างเบื้องล่างตรงนั้นเรียกว่านิสันโตทีนี้เวลาลราถ่ายออกมาเราก็จะเห็นเป็นปฏิกูลอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าซ่า สำมับคณะสำมัตชัก ค, คณาโตคือปฏิกูลในการแปะเปื้อนนี่เส้นทางของมันพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ให้เรานำมาพินิจพิจารณาเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอะ อืเพื่อระับยับยั้งความหลงในรสของอาหารปิดกั้นความเมาของอาหารว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเพราะเรากินเข้าไปเนี่ยเรากินเกินจุดความต้องการของร่างกายพระพุทธเจ้าเรียกมัตตัญยุตาจับพัตตสมิงให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยควบคุมตัวเองได้สบาย มัตตัญญาจะพัตสงคือว่ารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเหมือนพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายศรีสัชตะออกจาลิกครั้งแรกพอออกบวชนะก็เป็นนักบวชนี่ก็ถือบาตรอินเดียนี่ยมันโยนอืของดีก็โยนลงไปใส่บาตรของไม่ดีก็โยนลงไปใส่บาตรไอ้คนขอทานมันขอของเขามาลังทีมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่มันก็โยนใสยลงไปในบาตร ของดีของไม่ดีเวลาโ ย, ยนไปรวมในบาทคุกคลุก ค, กคุกแล้วมันก็กลายเป็นของไม่ดีนั่นแหละแต่เจ้าชายศิลปศาก็อยู่ในวังเป็นยังไงโอ้โหมีกุ๊กทํามาหาหน่อยทั้งสิบกว่าคนมือชันเลิศนะยิ่งกว่าอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเป็นกุ๊กอันดับหนึ่งในเมืองไทยนะมือฉันเลิศเลยนะไม่มีอาหารมื้อไหนที่เสวยแล้วเนี่ยไม่อร่อยเลิศรสทุกครั้ง รู้เจ้าแต่ตอนนี้ออกมาอาบวชแล้วเนี่ยเมื่อแรกพอลงมองวลงไปด้บาทนี่คืกลัวเห็นเหมือนกับหมู่นอนเหมือนของเน่าที่เป็นหนอน่ะแล้วนึกถึงปณิธานของตัวเองว่าเราจําเป็นที่จะต้องกินอาหารนี้สิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่อาหารเป็นเพียงแค่ปัจจัยเพื่อเข้าไปบํารุงหล่อเลี้ยงร่างกายให้มันมีเลือดเนื้อคงอยู่สําหรับที่จะ เข้าไปหาปณิธานของตนเองเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายศิลป ะ, ะเสวยพระกระาหารโดยไม่มีตันหาเข้ามาเกี่ยวเลยสเสวยพระกระยาหารด้วยความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่ธาตุเป็นเพียงแค่ปัจจัยเป็นเพียงแค่อาหารที่จะเข้าไปบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ให้เลือดเนื้อคงอยู่เท่านั้นเองแล้วก็ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเข้าไปใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเข้าไป ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเข้าไปนั่นของเจ้าชายที่ตาพวะเจ้าเลยตรงนี้มันเป็นตัวเกือกูลแต่ถ้าว่าไม่อย่างนั้นมัตตาอมัตตันยุง อ, อมัตตันยุงจะพัตตสัมมิงคือถ้าเราไม่รู้จักประมาณไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้โอ้ เวลาเราจะกินของหวานเรานึกถึงหลอดช่องโน้นอย่าออกชื่อเลยเดี๋ยวกายก็เป็นโฆษณาใช่ไหมเวลาเราจะฉันทุเรียน <c oughs> <c oughs> เราก็นึกถึงนึกถึงทุเรียนโน้นนึกถึงอะไรชื่อนั้นชื่อนี้โอยอ่นึกไปที่นั่นก็ต้องนึกถึงอาหารอย่างนั้นไปตรงนั้นอย่างนั้นไปตรงนั้นอย่างนั้นไปตรงนั้นอย่างนั้นพอสุดท้ายเป็นมันเป็นแค่อะไรเป็นแค่อาหาร มันเป็นเพียงแค่อาหารเป็นเพียงแค่เหตุเป็นแค่ปัจจัยที่จะเข้าไปบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายนี้เท่านั้ น, นเพราะพระเจ้าให้เราพยายามมองให้เห็นถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารที่เรากินด้วยหลักที่ชื่อว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาอย่างที่กล่าวพอเราได้อาหารเรละปฏิกูลสัญญาแล้วมันจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยเรามากๆว่าในขณะที่เราอยากจะไปเดินทางไป ไ, ไหนอะ อะไรสักอย่างหนึ่งที่ใดที่หนึ่งอะนะอย่าไปออกชื่อเดี๋ยวอาจมาชอบออกชื่อไปเรื่อยกลายปาเป็นโฆษณาไอ้ขอพอเรานึกอย่างนั้นพอเราโดนนึกถึงเรื่องนี้เป็นไงถ้าไม่ได้ไปนี่มันเป็นทุกข์แต่พอมันนึกถึงเรื่องนี้ไม่ได้ไปมันก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ได้ไปมันก็ต้องไม่ต้องทุกข์ไม่ทุกข์และมันเป็นเครื่องที่จะทําให้เรายุติความหลงความเปลืนความเมา ที่เกิดขึ้นในตัวของเราอันเกี่ยวกับอาหาร ê, ปฏิกูลสัญญาได้เมื่อมีความปฏิกูลเกิดขึ้นจิตมันประจักแจ้งกับความปฏิกูลอย่างว่านี้หมายความว่าเราพิจารณาศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปจนจิตมันสัมผัสได้โอ้โหยมันมั น, ม, นมันสกรปรกอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละจิตมันยอมรับโอ้มันอย่างนั้นจริงๆมันอย่างนั้นจริงๆมันเกิดอะไรมาเกิดองค์ความรู้องค์ความรู้ตัวนี้สําคัญมาก อง ค, ความรู้ตัวนี้สําคัญมากและมันจะไปประกอบ ก, บกับการที่เราจะรู้เรื่องอาการสาบสองรู้ความเป็นจริงของกายของใจและยังสามารถมีกําลังพอในการที่เราจะไปให้อภัยกับคนที่เราโกรธเกลียดเขามันสามารถที่จะให้เราวางใจจากสิ่งที่เรายึดอยู่อย่างเดิมนนานอย่างเราโกรธเกลียดใครสักคนหนึ่งอะวางไว้ในนู่นเนอ <c oughs> <c oughs> เราโกรธเกลียดใครสักคนหนึ่งอะ เราต้องนึกสภาพสิเราจะไปโกรธเกลียดเขาที่ยังไงในเมื่อธาตุทั้งสี่ของเขามันมีแต่ของบูดข อ, ของเน่าขวางแน่นอยู่ในร่างกายเรากําลังจะไปโกรธของบูดของเน่ากันนั้นเหรอเออแต่ถ้าว่าเราตั้งใจจะโกรธมันก็หาเรื่องโกรธจนได้นะมันก็มันก็จะคิดมาอีกมันก็คิดมาอีกเออเราไม่ได้โกรธที่กล่องปวดกล่องเน่าเราโกรธที่มันทํากับเราอย่างนั้นทํากับเราอย่างนี้ใช่ป่ะละ่ะมันหาเรื่องจนได้ แต่พอเราคิดคิดถึงเรื่องของความเป็นปฏิกูลแล้วเราก็แผ่เมตตาคิดถึงเรื่องความเป็นปฏิกูลของอาการสาบสเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาได้สองชั้นหนึ่งร่างกายของเขาที่จะต้องแปรปรวนและแตกสลายไปนั้นเป็นธรรมดาเหมือนกับเราประการที่สองนอกจากการแปรปรวนไปเพื่อความแตกสลายนะ ประการที่สองคือเราก็ไม่ต่างจากเขาประการที่สามเราปรารถนาอะไรเขาก็ปรารถนาอันนั้นความปรารถนาที่เหมือนกันอย่างนี้แหละมันเป็นจุดที่จะทำให้เราอับใครให้เขาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราข้าวบ้านหรือเรามีเพื่อนเรามีสามีเรามีแฟนเรามีลูกเรามีพ่อแม่เรามีเพื่อนบ้านเรามีลูกน้องเรามีเจ้านาย ทั้งหมดนี้เราสามารถที่จะมีความสุขกับทุกคนได้เลยเรามีความสุขกับแม่ในฐานะแม่เรามีความสุขกับพี่ในฐานะพี่เรามีความสุขกับน้องในฐานะน้องเรามีความสุขกับคนรักของเราในฐานะที่เป็นคนรักกันและกันเรามีความสุขในที่ทํางานในฐานะผู้ร่วมงานเพราะเราใช้เกณฑ์ในการมองในลักษณะนี้เราพร้อมที่จะอภัยให้กับทุกคนไอ้ที่มันอภัยไม่ได้อ่ะเพราะมอมันมองไม่เห็นเรื่องเหล่านี้จิตมันไม่สลดลงมา มันไม่ระหับลงมาถ้าจิตไม่สหบลงมาไม่สลดลงมาไม่ระหับลงมามันมองไม่เห็นหรอกอํานาจความหลงของความเพลินมันปิดบังหมดสําคัญว่าเราเป็นตั้งเจ้าของจิตจการสําคัญว่าเราเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สําคัญว่าเราเป็นท่าพระก็บอเป็นประชาคณะสําคัญว่าเราเป็นเจ้าอาวาสสาคัญว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ สำคัญว่าเราเกิดก่อนสำคัญว่าเราแก่กว่าสำคัญว่าเรารู้กว่าสำคัญว่าเรารวยกว่าอย่างเงี้ยมันอภัยกันไม่ได้ตัวอภัยมันจะไม่ออกมาแต่พอมองตามความเป็นจริงของธาตุที่เป็นปฏิกูลด้วยหลักของอาหาเรปฏิกูลสัญญาจิตมันสลดลงมามันจะสลดลงม า, มลลงมาและมันพร้อมที่จะอภัยได้เมื่อเราต้องการที่จะอภัยเข้าใจไหมเรื่องอาหาเรปฏิกูลสัญญา เอ้นเข้าใจและรับไม่ได้เหรอมันคือความจริงเอออืเราเรียกอาหารเรปฏิกูลสัญญาเพราะนั้นให้จําไว้แล้วก็นําไปใช้นะเราไม่มีโอกาสได้ความเรื่องพวกนี้บ่อยนักและเราก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สําหรับที่จะสร้างสติปัญญาให้กับตนเองในเรื่องเหล่านี้เราเรียนแต่อย่างอื่น เราอ่านแต่อย่างอื่นเราศึกษาแต่อย่างอื่นเราจะไม่มีโอกาสได้เรื่องพวกนี้เอาละบ่ายสามโมงได้เวลาอันสมควรจากนี้ไปก็ตั้งใจนะนั่งเรียบร้อยแผ่เมตตาตั้งใจให้ดียกจิตก็ไปสู่ลมหายใจแล้วก็ประดมมือขึ้น ตัดความกังวลเรื่องต่างๆออกไปให้หมดให้เหลือที่ว่าความรู้สึกอันบริสุทธิ์ในความรู้สึกอันบริสุทธิ์นี้แหละตั้งความปรารถนาดีไว้โดยอ้างเอาคุณงามความดีที่เราได้ทํามาตลอดชั่วชีวิตของเราไม่ว่าเป็นความดีจากสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลความดีจากการให้ทานความดีจากการเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ ความดีจากการสร้างวัดสร้างว่าความดีจากการสวดมนต์ความดีจากการนั่งควาเทศความธรรมความดีจากการรักษาศีลความดีจากการเจริญสติภาวนาระลึกนึกถึงความดีเหล่านี้แล้วน้อมเข้ามาตั้งไว้ที่ใจของเราอย่างบริสุทธิ์ก่อให้เกิดเป็นพลังกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วก็น้อมเข้าไปสู่ผู้มีพระคุณของเรา เป็นพ่อแม่เป็นต้นก่อนถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นกุศลผลบุญเหล่านี้แหละให้คุณพ่อคุณแม่ของเราท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคป่ยไข้เจ็บและก็ที่สำคัญให้ผลบุญเหล่านี้จงดนจิตดนใจให้ท่านทั้งสองนั้น ใกล้ชิดพระรัตนใจมั่นคงในพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อได้พบกับความสงบและความสุขอันเป็นนิรันด์อย่างแท้จริงแล้วก็น้อมกลับมาสู่ที่ใจของเราส่งจิตด้วยลมหายใจไหลเข้าไหลออกให้มันสงบนิ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาดีเอาบุญกุศลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นแหละ แพ่ออกไปจากกายของเราที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ให้มันกลับเพื่อมออกไปเหมือนกับคลื่นที่โดนก้อนหินกระคลื่นในน้ํานิ่งแล้วโดนก้อนหินกระทบมันกลับเพื่อมออกไปเป็นวงกว้างให้บุญคุณงามความดีที่ตั้งอยู่ที่ใจของเรานั้นเป็นเสมือนกับน้ําทิพราตรดเหลวสัมปสัตย์น้อยใหญ่ ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกับเราสัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมุ่งมั่นรักใคร่ปรองดองอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันและขอให้ระลึกถึงคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อในพระรัตนตรยัย เกิดชาติหนึ่งชาติใดขอให้ได้พบกับพระพุทธศาสนาทุกรูปทุกนามน้อมกลับมาที่ใจของเราตั้งความปรารถนาดีให้กับตัวของเราเองว่าตัวของเราเองนี้มีมือไม้แขนขาหน้าตาประกอบขึ้นมาเป็นร่างมีชื่อเรียกเป็นสั ญ, ญลักษ์ มีการงานเป็นลักษณะมีอุดมการเป็นความหวังความปรารถนาที่จะเป็นไปในอนาคตให้บุญเหล่านี้ประครับประคองกายและใจนี้ให้คงอยู่ดำเดินไปด้วยศีลธรรมไม่ทุจริตมีสติมีปัญญา ไม่สร้างศัตรูไม่ยกตนข่มท่านไม่ถือว่าตัวเองเก่งไม่ถือได้ไม่สําคัญว่าตัวเองฉลาดไม่ยกตนให้เหนือกว่าใครไม่เอาเปรียบใครแต่จะก้าวย่างอย่างรอบคอบขอให้บุญเหล่านี้จงนําพากายใจนี้ไปอย่างรอบคอบสู่ความปรารถนาอย่างดีงาม ทั่วกันทุกท่านทุกคนท่า